ทุกอย่างมีสติก่อนจะทำจะพูดมีสติ เ่าจะทำก็พูดจะคิดอะไรก็พูดจะทำก็คิดเตาทั้งๆที่จางหน้า่างๆมาปฏิบัติบางอาจบ้างทำแต่เรามีสติปัญญาวรษาตัวทำเฉียวพูดเฉียวคิดชั่วอยู่อีกเตาต่ไม่มีวันสะอาดแหงไปได้ดันั้นสติปัญญาจงเป็นส่สคัญ ที่พวกเราพ่นควรจะรักษาควรกาหนดเอาไว้มาอย่างนั้นจิตใาก็จะใายแสบไปตามสัญาริ่มเรือยไปปฏิบัติเท่าไรความสุขความสงบก็ม่เกิดขึ้นให้เมื่อเรารักษาตังหาปฏิบัติในอาจนทาแล้วจิตใจที่เคยาส่แสบสิ่งจึงต่าง พอเกิดขึ้นหักห้ามยัก้อนตัวเองจาการจิตใจเป็นหน่วยนี้คนมนจะปฏิบัติในเยวัตเขววาในจันทร์ทีลภาวนาเขาก็คิดกบเป็นกันเมื่อราเองเคยล่อยให้จิตให้เป็นมาล้วอยายาวนานก่อนที่จะเขวัตเขววาจิตใจก็เลยเคยรู้เคยเหวนใคยดีเคยด่นอะไรห มีความสงความสงบของใจเมื่อเราปล่อยไปตามเรื่องของมันเมื่อก่อนใจของเราจะมันมีวันมีเวลาที่จะสงบร่างนับมันมีรันเวลาที่จะเกิดความสว่างสวความสุขภายในใจได้นอกจากสุขด้วยความหลงความมวเมาในอารมณ์ตัณยาร้ายหน่อ ความฝึกในอดในธรรมนั้นเราจะไม่เนม่เน้นขึ้นเนืย่ยเราแนะนำครับตัวของเราอย่างนี้เพราะมีสติมีปัญญาใจนั้นที่เคยคิดเจ้าก็จะหันกลับมาพิจารณาอดธรรมธรรมจิตพระพุทธเจ้าทรงให้กำหนดรักษาข้อสำคัญที่จะเอาสติจดจ่อไว้ ทอสอนเรื่องสติปัฏฐานที่สี่คือเหตุกำหนดกายสองตนด้วยกายคนอื่นภายนอกก็ดีภายในก็ดีไม่ผิดถ้ า, ากำหนดที่พเจามาในทางอัตถิภายนอกเปที่ทจอมาหาขอทำในสอนใจ แเราพี่โยนาพานอกที่เราเห็นโดยตามาพี่โยนาสอนเราเราก็เกิดประโยชน์ได้เพาะสิ่งพานอกที่ตาโดยดูมันมืดมันเป็นคติเป็นธรรมะเป็นปัญญาสําหรับที่จะสอนใจได้ส่วนร่างกายของคน ก้นเด็กกับพี่โรน่าเรื่องของเด็กและพี่โรน่าต่อไปถึงหนุ่มสาวคือใหญ่คนแก่คนเฒ่ามันไม่ไปจากที่ไหนไปจากเด็ตัวดังๆนเองเริตัวเตืนอยไปแล้วก็แล่าขข่าไปน่คือเรื่องของตาในวัยยุนหลาชาในวัยหม่เหลือล้ว่ะจะต้องมีสภาพ เปลี่ยนเปลี่นแปงเปลี่ยู่ตลอดเวลากาวนี้ในนี้เขาสื่จะบังคับบังคับให้มันคงเส้นคงวาไดนะ้มันจะเป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันในเคยเปลี่ยนไปอย่างไรในอดีตที่เรื่องมานี่ป่าแบบนี้ล้างบบนี้แสนดีปัจจุบนันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอนาคตต่อไปจะจะเป็นอยนน่างนั้กันเรื่องของกา บง Frankly, ังค so ouais. ับบัญชาไม่ได้ตับตัวกายเท่นั้นในสายตัดในสาบุกคล็มในส่ยเจือเป็นเราเขาเพราะกายอันนี้บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตาหนาขีดของมัน้เข้าใจทักเชืแต่สมุติของโลกเขาสมมติาบนไรก็ใช้กันไปแต่ความเข้าใจในจิตในใจของตัวนั้นเข้าใจแจ่มไส ไม่มีอะไรเกี่ยวกับิดมาขจรว่ากายอันนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่และมีการจิตตั้งขึ้นต่อเพื่อนต่สายนิยมกันหมไม่ว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันขรรว่ากายเท่านั้นกายนี้ไม่ได้ไปสว่างไปนาฏกายจะแล้วธาตุอันใดเป็นอันใดมันก็เป็นไปตามหน้าสี่ของมัน แต่จิตใจนั้นพี่อยู่ในกเป็นอีกอันหนึ่งถาย <All right. S 2> ังไมถึงที่สุดของการปฏิบัติยังไนตัดจัดตันความรู้เกิดขึ้นเฉพาะตัวว่เชื่อดีต่างๆเราบอกว่ถนไหมดแล้วนมือะไรของจิิจิตวิสุทธนั้นเราทราบจากการปฏิบัติของตัวเอง ขนาดชาติโนอย่งนั้นมันเกาะม่มีการโยนไา้ตายเกิดอีกแต่ยังไมถึงที่สุดจิมตมหาาทางอย่างนั้นจุตอนนี้จะต้องเะบเะชาตตามกรรมถืตัวทำเอาไว้ีเชื่อันก็จะไปตกาตัวตามเหลืองของกรรมไม่ใช่แบบว่าจาอาอะไรโดยไม่ได้ทำไปได้าตดามความชอบใจทั้งสวนในจน้ำนั้น อาศัยผลของการขักดันให้เกิดในสถานที่ต่างๆที่ีชั่วเรื่องของการนำพลังให้เกิดมันจะเกิดตามความปรารถนาของตัวโดยมีกรรมสนับสนุนฉะนั้นถังเหอยที่โยนมาเรื่องของเกาไข่ถวกถึงกาอันนี้มีการเกิดขึ้นแปลงไม่แตกแผลไหลแลอยากไปจุดดำทำตาที่เรายังมีหาย ยังหายใจอยู่ก า, ายยังชาไปเยือนได้อยู่เราเดีทําอะไรที่เป็นกําไลในการเกิดของเราหรือเกิดขึ้นมานเปล่าๆเราเดี๋ยวคุงานทําดีอะไรที่จะเป็นกําไลของความเกิดแต่ทีนี้นที่เจนาเอาตายอันนี้นทำํำคุณงานความดีให้เกิดขึ้คือเก้นนั้นจะต้องเอาใจกาย มันมีกายแล้วก็ทำไม่ได้จะทำชั่วทำดีต่างๆนอกจากไม่คิดภายในการไม่คิดภายในก็ต้องอางไยเรื่องขงกายอีกถ้าไม่มีกายแล้วจิตจะไม่คิดนั่นคนทั่วไปไม่หเห็นกันจะสร้างได้จริงเกี่ยวกับตัวเท่านะ้นแนันจึงควรกำหนดควรชีิตที่เจอมา ข้อกายนเตอมต่องความหล่มหลงทังความเผดเชิญทังความตุดข้อมีอะไรในโลกมนุษย์ดีสัจะดูจะเหวงเหวยนเท่าปักายของเขากายนปัญหาใหญโตการแสวงหาเข่าข้อเงินทอบ้านทองต่างๆก่อขาอเดือดของกาการทุกข์ากลำบากก่อเป็นเรื่องของกา เป็นส่วนใดญ่แต่เรื่องของใจนั้นไมาควรที่จมารักษากันมิจะรักษาเรื่องทางกายหยิ่นบาเยื่องทางกายโดยส่วนใหญ่มิรักษาสัตว์ถูกใจเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเองเคยหลงหลวงฝ่อฝันไม่เคยปฏิบัติานอัตธรรภายในจึจรักษาใจทั้งเป็นให้ปลอดภัย สบายได้จึงเห็นเรื you know même, ่อกายเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่จะมาตายจางก็หมดกายแตจึงเห็นกำหนดตามบทธรรมสี่ทศได้ต่อสอนจะพิโาอันจางหรือพิโยาไปจะพิโยนาทุกขังอนัตตาใส่พิโยนาไปเพื่อจะขับรู้หความหลงเหลืงของใจที่ยึดถือติดข้องถ้าย่างพิาอย่างนั้นใจของ พเรา่านมันก็ลุ่มหลเหลื่อยไปไปอูวัดอยู่วาเป็นพระเป็นเจ้ามันก็ลุ่มหลงเถิดเถินเฮามาในเรืองของกายเกิดกำหนัดยืดีไปต่างๆนานาถือว่าเหื่ององกายเป็นเรื่องสาคัญเลยหทิ้งตมาเรื่งองอัดของทํหาทิ้ัวมาไปโดยอัดโดทำแล้ว กายเราที่เกิมาตันทำมาสี่พัทสทกเจ้าสองต่ อ, า ก, ตอากายแถวนั้นหาใจทั้งหัวเรา่านเห็นอย่างนั้นั่นก็ไม่มอะไรที่จะมาปิดบังหายใเเิด็จหนักกินดีหายใจเหลงเถิดเทลนนมามาไปต่างๆเพราะกายนี้มีหน้าที่เกิดก็มีหน้าที่เกิมีหน้าที่ตายไม่มียาถนานไหนไม่มีใครจะรักษาได้ ยาต่อรักษานอยหายคนมีอำนาจรานก็บังคับบัญชายได้หน่หาที่ของมันแต่เจริญนส่อมไปอยู่อย่างนั้ น, บบ น, ถ, น, น, น, น, นถึงมันถึงเวลานันก็ไปตามหนักที่ของมันนึ่ที่เจเรื่องอนิจจเ่องอนัตตาที่เจริญไปในไห น, นให้จิตมันยื้เหยียจับแเกนจริงจรใจจัในยึดนั่นในหลวงของกายนอกจ า, ากนั้น เ, เราจะ ท, ที่กรณาทางอสุภะอสุภังเพื่อการจับขับไล่จิตใจที่หลงเห่วไปเกาะอาศัยห่าเสียงามเกิดกำนังเกิดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พ้นกำหนดพิจารณาได้เพราะกายนี้เป็นก้อนอสุภะอสุภังเป็นของเน่าของเหนื่อเป็นของติดคุโดยทำให้าขาดซะงั้นจึงที่เราเอามาห่มหอ เป็นต้นแบบเสือผาสำโรงคิวรอตอนก่อนไงเอานะมีห่อมีห่าของเราของเหล่านั้นไม่สะอานะดูหน้าชนแต่เราไม่หอไม่ให้งอ่านเข้าของเหล่านั้นจะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นขนขึ้นแต่เราไม่ซัเลยรักษาเพะเหตุใดทกอย่างนั้นเพราะกายข้งพวกเราท่านมันเป็นข้างเหน่ยทั้งเนือ ขี่มันไห้ออกในหน่องท้องกายจะไหลออกทางตาทางจมูกทางปากทางท้าทางสั่งหรือตามนื้อตามตัวมันกผล่จากท้างหนี่ยท้างเหน้นท้องต่อจี้ยวทางนั้นมีอะไรที่หวงเหว่งเต็มเตนของตีเกี้ยวท้องเหนีวก่อนหน้ที่พระผูงก่อนของฝีมีแต่ ความปวดปวดมันก็ดตรงนี้หนูกายท่านปวดเราฉั น, าากนก็ท่านองเยวกันรักษาอยู่ทุกวันทุกเวลารักษาอย่างไรเราขบเราฉันก็นเพวรักษาไม่ให้มันเจ็บมันปนนนวดตเน่ยหเราดืเราอาบเราห่เราห่นี่คือการรักษาหัวคีบใหญ่คือกายอันนี้ถ้านพอบเทาไปเป็นวันวัน ในอย่างนั้นมันก็เกิดความเกิดความเกดหมการที่เจ้านาอย่างเราที่พระเอาไทงขององกายพอทเจ้าได้กายมันก็มีอยู่แต่จำตัวทุกทุกนามทุกสู่งทุกคนไปสระทำเชื่ใจกำหนดที่เจ้านายกายเป็นองหนาชง้งก็จะกวนไบบนะ ใจมันสัมผัสในอดในธรรมที่ใจมาตาความเป็นจริงอย่านี้ันมีสำคัญหนักหนายได้ยื่งอย่าเศ้าอย่างสียหวานงามจมันก็ไมันเยไปเกิดที่นปัญหาราคะต่างๆเพราะเราเอาอตเอาทำเข่าขับเสาะจิตใจของเราใจตัวไม่รับความสงบใหตดวไม่รับความสบายไม่หลนไหลใส่ฝันในรูปในกายอย่างนั้น เพราะกายทั้งเราเป็นแบบไรกายทั้งสัตวอื่นคนอื่นทั่วโลกทั้งอดีต อ, าต อ, าตอาตตนาคตจะยืนยันเป็นอย่างไรมันจไม่มีทางสงสัยเพราะกานมันําหนดเกิดเป็นอิจฉาทุกครั้งนะจ้ามันําหนดอีกไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าไปเกิดสถานที่ใดก็อยู่สถานที่ใดจะมีความุกความสบจะมีเหตุไเจอเสดต้นงาน มาพาเผยกะไม่มีทุกข์ไม่เกี่ยวข้องมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีเกิดมันมก็มีแก่มีตายอยู่เป็นธนมามดาแต่นั้นตอน้องคิดมาให้รู้ให้เข้าใจในอกในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหาใจของเราเนจิ้อย่างนั้นมันก็จะมีอะไราหลอกเลี้องี่จะให้จิตหลงเหวี่ยงเหงื่อหงายโน้ยง ของการต่อไปข้าไปรูหนตามใจจงเข้ามาถามันเห็นมันจะต้องปล่อยปลาวาเพราะของเหนีของเหนของปฏิกูลของเป็นที่เป็นภัยใครอยากได้ใครต้องการแต่เราไม่เห็นไมเปนบ่านั้นใจของพวกเราถ่านจเรือไม่นายอยากจะเกิดแต่ตายยงกาดยินดี หากมันเห็นมันเต็มภายในอย่างนั้นมันมีใครทั่วไปจะหลงไหลใฝ่ฝันแต่คิดจะเป็นจะจิตจะคล้องในเรื่องพบข้าเพราะเกิดมาพบใด้ฌานได้มันก็จะให้ทุกให้ทุก อ, อย่างนี้มาหลงกำลังมาหลงยินดีในะของขี้จะจีบยิงโผล่เมาเป็นของสวยสดงดงามมันจะรู้จักเข้าใจ หน่มันร้มันเข้าใจว่าสเหล่านี้เป็นของหนีหงานเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นัยใครบอป่าเถนาหนึ่งมันไเห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงหลงใฝ่ฝันพากันกาหนดที่มีพิจาาเรื่องเวทนาเสมอกันสุกทุกข์เฉยๆมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันหนึ่งมันจะเป็นอันหนึ่งความเึนเวทนาในกายเวทนาในจิตมันมี อย่างร่างกายจริงๆมันจำมันมนีเวทนาเข้ามาหรอแต่เรามีแตกายหนีมีจิตเขาไปอาศัยรักษาอยู่ภายในเขาจะเทาไฟเท่งดินั่นเองเคยเกลียดเกียดเหลียดแล้วนั่นเองคยเกลียดเคยตัวดให้เขาอย่างร่างกายก็เหมือนถอนไม้ถอนฟืนตาเรามีจิดมาอาศัยเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆนั้น มันก็พอพิจเรณากันได้แต่ส่วนเราเคยหลงอเหน่ยนิดามาเป็นระยะเวลายาวมาในชาบกีพบกี่าบมาแล้วมันก็เลยหลงอยเหนื่อย่างที่เรทนานร่กันแถมเพื่พิจารณาจิตคนที่มีความละเอียดพิจารณาการข่อยขอยใจัดเนชอบพิจารณาเวทนาจิขอย สายให้ก <c ười> ่อนเหตุใจนาเรทนาเกิดความสุขความทุกข์ความเ็เฉยของใจเรนานี้ถาหาิตเรียนเห็นตามเป็นจริงมันจะโน้มนำสมมตองกายจักจงเรีนาเกิดขึ้นมาก่อแก่เื่อนเปลี่ยนแปลงเราไม่อให้เกิดเวลาเราเฉยมันก็เกิดขึ้นเราอยากจะให้ดับเมื่อมันอยาไม่ดับมันก็ยังอยู่ตามสลกทงมันใจจิตใทของเราเข้าใจ ตามคนกินหรือไม่หรือถือเราเป็นคนเก็บคนเก็บถือเราเราเปลี่ยนเปลี่ยน่ปในขณะริเวณากับเราเป็นอะไรกันอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นเราเราไม่เคยเแยกแยะไม่เคยเลยแกะออกไม่เคยเลยที่จะมาดูดูเห็นตามคนกินข้ามเราถือว่าทุกกว่าเราสุขกว่าเราเฉยๆกว่าเราเข้าใจอย่างนี้ นี่คือเวทนาเป็นราเราเป็นเวทนาเพราะเราแยกกําังไม่ อ, ออกถ้าเราพิโยนาอยาอดแยะ ท, ทัจนจงพิโถ้าให้อถึ ง, จ, งจุดความิงใจจิหล่านี้จะไม่มีทางเคไเพราะเราเองเห็นเราเองเปนเราเองเหูไม่ใช่คนอื่นม่แหสอนให้ความจริงไม่เป็นอย่างไรมันจะแงขึ้นเราทราบเวทนาเวทนามัน ก้ามันเจ็บมันปวดจริงจงจังๆทั้งผี่ทั้งฐานเรากาหนดหมดอดทำที่เจมานอยู่อย่างนั้นไม่ยอมละถอนเวทนายังมีอยู่เมี่อไรยังซรากฏอยู่เมื่อไรยังแสดงอยู่เมื่อไรเราจะไม่ยรมปล่อวางละถอนการกาหนดการพี่เจนามัน มันเกิดขึน้นต้นที่เปนฐานเพราะจิตมันทราบเรื่องของเวทนาทถวนั้นมันก็ขาดสะบั้นไปเลยไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์กจิตอันนั้นเพราะแยกกันออกคนละสิ่งละ่ย่าเวทนาปราก็อยู่แต่ก็จิตก็เฉยก็ถนายอยู่เพราะนี่เป็นเวท น, นามันเกิดขึ้นานก็แกเป็นไม้แต่ฉลาดแการเรด่อ้ของมัน คอนมเรายังไม่นั่งภาวนาเวทนาอันนี้มันไปอยู่ไหนเวลาเรานั่งเข้าไปทำนมมันเกิดขึ้นเขาเอามาให้อะไรมันพาให้เจ็บให้ปวดเจ้างชาอะไรวะว่าต่างๆมันทนขึ้นหรือเรื่องนี้มีเขาเดินทีี่พิายนาแล้วถามเขาว่าเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดไหมแล้วเขาเป็นอย่างไรพเโยนาให้ปวดถึงในเรื่องเหล่านี้ ไม่จจิตคิดใจไปอย่างนั้มันดับอย่างนั้นอย่านั้นหาอย่างอย่างก็เลิกนีเกิดแย่ความเจ็บปวดเหนื่หนื่อยหตางต่างอยู่ว่าเวลาเราภาวนาเราสื่อเวทนาล้วสื่อกันยีกัจะเกิดใ้เกิดความรู้ความเห็นในจิตในใจทั้งตนในอย่างนั้นเวทนาก็ลอกลวงตัวเราเรื่อยไปในใจหน่งนมันจะหายไป ลุกหนีจากทั่ทเดินเดินนานๆเผาจกระหื้นกระะุีนภนามันมีนอยู่ตลอดเว ล, ลาอเอร์เบย์มันมีความสุกความสบาให้ท่านอยู่นานๆมีชือเลื่องให้เรีนภาวนามีขาดมีขันมีจิตมีใจอาศัยกันมันจะต้องมอยู่แต่เราไม่รู้เราถอใจตามเป็นจริงมันก็หาทุกข์แกเราถ้าเรามีาตามเป็นจริง ถึงนเวทนาเก่าขนาดไหนใจจะอึดเดมเดมไปโดยมุยู่ขวากับสัญญาเวทนากับกายขอเาแล้วยังมันเป็นอยู่แล้วเวทนามันขาดหายไปไม่มีอะไรตากดเหมือนกับเม่เคยปวเคยปวดเคยจนเคยูมาก่อนมันหมดเป็นท่งจะาง เวทนาขาดดับไนี่คือเจ้าเวีนเวทนาไม่หมนี่คือเวลาจิตเวียนมันจดับเวทนาได้ต่เวทนาดับ้าโดยจิตเวมนั้นมันเป็นการเป็นสมัยเรลี่ยไม่ได้นี่เราตาสดเวทนาต่อการวยกแยะเวทนาอกอจิตจิตเป็นอันหนึ่งเวทนาเป็นอันหนึ่งนี้มันก็อาดดีนารเกิดความปวดในจิตใจของเรา เราว่าเป็นผิดหรือไม่เราจะทราบได้โดยตัวของเราเองเวทนาไหมเป็นส่วนหนึ่งจิตมันเป็นส่วนหนึ่งนี่มัน็นระจับอยู่ในทุกคนที่เคยผ่านเคาฝุกเคาอบลมเคยศกษาเคยภาวนามาจะทาจะเ ข, อ ข, อ ข, อขอ้าเพาเวทนาอนัตตาเวทนาอนตาิตจามันมังคับบังชานมโนได้ มันจเป็นไปตามหน้าที่เท่านั้นโยธามันเกิดขึ้นมันก็อเปรียบเงแล้วแต่สลายไปถึงมันหมดแตกมันสลายไปในหนึ่ยเวลาเรายังมีลมหายใจอยู่เลื่อาาแต่นจะก็สลายไปใช่ไหมโยทั้งวยธามันเป็นอนัตตาอย่างนี้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปทำตนนี้โทนาต่อเพื่อว่านธรรมในหลวเรนหลวงที้เวทนา อยู่คือการกำหนดที่จะมาทำสิตของตนคือไปโยกตัวพันเสาฟันว่าเราฝุ่เราทุกข์เราเฉยเฉยเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนามันจะไม่รู้ว่าเพจิตมันเห็นมันเป็นอยากแยะกันออกคนละขึ้นละส่วนอย่างนั้นใจมันละเอียดใจมันไปเสิร์ ใจมันฝกใจมันเห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆมันเลยมีทางเล้ยวไหลเหมือนคนธรรมดาที่เราเคยศึกษาฝึกอบรมแต่นั้นการฝึกอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องสาคัญที่พวกเราท่านจกควรฝึกควรอบรมท่าฝนว่าตัวของตัวเป็นคนที่จะมีคุณค่าต้องศึกษาต้องอบรมตัวของตัว ถ้าปล่อยตาละเลยไม่ได้เอาใจใส่ปฏิบัตเรื่องเคงจั้งเจแล้ววันคืนเดือนปีผุด่างไปมันตกจิตเกินกริงชีวิตเลื่อยไปถึงวันลมหายใจไปจิตใจต่อไม่มีอะไรทีจะผ่องใสไม่มีอะไรที่จะสุดจะสบายห้างเหนืเวลาใหญ่ขอบนำมาจนเม่ส้างบ จะเอาจิตเอาใจไปมองไปวางไว้ที่ไหนจะทาอย่างไรใจจึงจะสุขจะสบายให้เราหาทางปล่อยวางไม่ได้จนกระทั่งตายก็ตายหน่มตายบอด่นสาวะจะไปเกิดที่ไหนจะไปอย่างไรถ้าะเราคยเหวี่งจิตเหวี่ยงใจท้องตัวขาดการอบรมขาดการศึกษาขาดการภาวนามันเป็นอย่างนั้น ถ้าหาพวกเราท่านหมั่นพิจรารณาทราบเรื่องของกาวของเวทน า, าตามเป็นจริงเท่านันแล้วโลกอันนี้มันจะเป็นไปอย่างไร เ, งงเราจะไม่รู้ทั่วรื่องทั้งโลกหรอไหอดีตมันจะเป็นอย่างไรอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเมตัมไปคำนึงดูเรื่องนอกเรื่องคนอื่นดีแต่ตัวของเราแถวนะั้นเข้าไปในตัวของตัวแถานะั้น มันปวดหัวสบาโลกระวิถุเกลี้ยงจิตของตัวทั่วถึงในหลงหลาใส่ฝันในติดข้อมนว่าโลกย่อโง่ไหมใว่ากายหนอกายมในว่าเวทนาไหนเกิดขึ้นมันข้ามันโสดายู่เกลี้ยงายใอยู่โลกรวิถูภายในใจมันสุขใจมันสบายปลอดสนสบายหย่อนยน สัาความคนามได้ไหมดู่เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเป็นคนสักบอกเลยนนขวนได้บางทีมันก็ลือได้เกิดขึ้นบางทีมันก็หายไปถ้าให้านจดจได้เลียแต่นานเ่าันก็ลบเยงหลงไปถ้านจดจได้เลยงดแต่นานเข่าันก็ลบเยงหลงไปเราลืกไม่ได้เลืไม่ออก สังขานความปรุงทั้งสิตก็บท่าน้งองเดียวกันมันเปลียนไปได้เราจะเหลงไหลตามเรื่องเหล่านี้หรือไม่เรื่องเหล่านี้มันเป็นพิลรธไม่เป็นธรรมชาติเป็นขันเพราะมันตามหากาหากเราฝึกจิตใจละเอียดเขาจึงอาจทิ้งทำและจะทราบเรื่องของขันกับจิตนั้นมันคนละอันละอย่างไม่ใช่อันเดียวกัน รูปังอันิจจังรปังอนัตตาเยธาสัญญาทั้งขานยินยานมันทำนองเดียวกันมันบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่มาวิส่วนเหล่านี้เข้าเชื่อส่วนเหล่านี้คืออะไรมันจะมีความสงสัยเพราะการประพิจาปฏิบัติถ้าเขาถึง่อาจเชื่อทำเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยกันแต่นั้นการปฏิบัติ อาจทำถึงจะไม่รู้ไม่พอใจไม่ไปเสพพิเศษให้ใน่มีใครเลื่อมใสสัทธาใน่มีใครนิยมเชื่อชอบสรรเสริญก่อตามขอให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เห็นในตัวใน่มีอะไรที่จะประเสพพิเศษกว่าเพราะตัวของตัวสุขตัวของตัวสบายตัวของตัวอาารอบรู้พั่วใน ขากในขันในจิตในใจทั้งตนไม่มีอะไรกังวลยืย่งวายไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยอันตรายตายเห่อะไรก่อมจะมีทางสงสัยว่าจะเกิดอีกไหมหรือจะต่อพวก่อชาติที่ไหนอีกนี่คือการปฏิบัติในอดในธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหรื อ, อถ้าข้าใจจริงจังมันสุขมันสบาย มเยลยหลวงไหลใส่ฝันอยากอันนั้นยินดีอันนี้เพราะความพอดีพอดีความพ้นจากคมมุดพ้นจากโลกจากสงสารเราเข้าใจในตัวข อ, องเราแล้วไม่มีอะไรที่จะละจะบาเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาข้องใจมันหมดทุกสิ่งทุกอยางบริสุทธ นั้นทราบได้จากาจการปฏิทินปฏิบัติคือเคยทราบมาทั้งเจ้ท่านทนี้กับอุปจาระอัปปนาต่างๆที่เราเคยผ่านมาเคยเจริญขึ้นเคยเสื่อมไปเคยประสบพบเห็นมาละเอียดยากเคยมาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เกิดได้ดับได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคืออะไรเรามาเข้าใจ ส่วนเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้อันนี้มันเคยเกิดเคยดับไหมสิ่งที่เราที่เราเห็นนี้แต่เพื่อนได้ก็ก่อนเราจรงหน่เห็นในเพนกมเพราะเราก็ทําบำเพ็ญได้ไม่ถึงมันถึกจะเกิดจะกระพี่ของมันยจะมาถึงแก่นของมันถ้ามีแต่แก่นเนาะไปสืบที่ไหนก็สูบเจอะไม่มเคแล้วมั่นเี้เชื่อที่จะเกิดอีก มถูกพันต่างๆที่เราหงเราต้รธจบแล้วจะไปหวานลงไปสถานที่ใดหวานลงไปูีลงไปมันเกอดขึ้่นไม่ได้มีตาปะทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคํามภาคเพียนพยายามทางด่านภาวนาไปทำาองเดียวกันมันแผลเผาให้สิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภทยที่เหลือตัญหาอย่างเหนียวของ ใ, ใจมันดับไปขาดไป ไปเมื่อมันตายไปแล้วถึงทีุ่่ดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะต่อภพก่บชาติอีกจะไปถามใครเพราะเราทราบอากใจของเราไม่เคยเตือนเต้นไม่เคยลืมหลงในความละเอียดถูกขุมของใจในความดากของใจเพราะเคยผ่านมาเคยจนมานั่นมันเป็นื่วงเกิดแล้วก็มีการหลง แต่เปลนเป็นธรรมดาอย่างนี้ในชะ่ไหมนอย่างนั้นมันอยู่ในวงของโลกมันไม่แต่มันอยู่นอกโลกจริงๆอยู่นอกโลกคืออะไรแล้วทราบจากใจท้องเราถือปฏิบัติจริงๆมีทางที่จะต่อสะพานทึงกันถึงยังไม่ตายความบริสุทธิ์องท่านควาบริสทอยู่อย่างนั้นตายแล้วจะเข้าที่สะพานอีกอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ต้องเข้าย่าเพราะความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ดยตลอดการตลอดเวล า, าถ้าพานี้ะถูกวัวฉุดตายโดยเข้าขี้สามารถี้สามารถบาดขี่ไหนจะเห็นว่าท่านสซนรกอเวจีก็เหตุขี้ขี้ของท่านบริสุทธแล้วขี้บริสุทธนั้นเส้นกายมันจะปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันจะเปลี่ยนไปตามเรื่องของกาย บางท่านบางคนเวทนาต้าเวลาจะตายปวดปวดปวดปวดแล้วบ่นลมกระวนกระวายคนดีธรรมดากี่เนืทราบว่าร่จิตหรือความเป็นจริงของท่านจะทราบว่าเอ๊ท่านนี้คงจะไปในคดีไม่ดีเพราะมมีความสุขความสบายเท่านั้ก่อนจะตายบ่นลมกระวนกระวายหาสติไม่ได้คนก็อาจจะประคุกไปแบบนั้นก็อาจจนได้เพราะ เราเป็นอย่างไรใครก็เราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นโดจิตเค่อนไหวทีสดนั้นท่านเหยสงสัยกันเวลาเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกายเราบังคับบัญชาไม่ได้กายก็วดีเวีนชนะตัดีมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันแต่จิตวิสุทธสดนั้นมันไม่มีทาที่จะมาหลงตามเรื่องของกายของเวีนชนะเพราะได้สัมมาสมาหมดแล้วอานิสงส์ของการปฏิบัติเห็นชัดในจิตในใจของท่าน คือคิดหรือที่เห็นคือจิตต่างหน้าต่างตาต้องพึ่งปฏิบัติจึงสงควรอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรสนใจประงพึ่งปฏิบัติให้อถึงอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนความสุขความสบายอะไรในโลกไม่มีจะเข้าไปถึงความสุขความสบายเหมือนการจะพึ่งปฏิบัติอัตธรรมคิดหรือเห็นตามเป็นจริง ใน ม, มีการเลี้งไหลใน ม, มีการใฝ่ฝันในมีการทะเยอทายานอยากอีกมันสุขมันสบายสมมุนของโลกเป็นอย่างไรท่านก็พูดไปตามไปแต่ใจของท่านเป็นอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านไปพิจารณปฏิบัติจะทราบเองเข้าใจเองอันนี้มันไม่เกี่ยวเกาะกับเรื่องอะไรจึงปฏิเสธได้กว่าจุดนี้ โดยสุดแล้วม่มีอะไรอีกที่จะทําให้เป็นกังวลหงุดนงายในจิตในใจอากาศจินิญาณภายรอกนั้นมันเป็นไปตามเรื่องของนิสัยบางผันบางคนมีนิสัยสุขุมละเอียดถึงผันยังในปฏิบัติถึงสุ่สุดยมุทิพานผันสวยงามหูงามตากินิยามาะรยากทุกอย่างน่าดูหน้าชมบางผันบางคนมีนิสัยหยาบ เคยผุดจาปลาัยตลกคันนองเวลาหยิบใจท้องท่านถึงขีเสุยดยิ่นุษิพพานท่านก็ไม่ถูกคุณรักษาเพราะท่านไม่รักษาทําำไมเป็นบ้าหรือก็ามาเป็นบ้าท่านก็าบเรื่องท้องท่านจะไปรักษาทําไมนั่นเป็นเรื่องที่เป็นภัยสําหรับท่านท่านผุดนักผุดเบาอะไรก็แล้วไปมันมีอะไรที่จะมาเกาะมาอาศัยมา เหลือร้อนเลื่อนใบเหงืจ่ใจท้องท่านทำขุดทำทำทนคิดเหงื้นเอาหยดหยดน้ํามันเพิ่มมันทับมาหมดเลยนี้หล่องลอยอะไรมีการขุดจ่าปลาใสด้วยการทำท้องท่านจะทําังเดียวกันไม่เลยคิดแต่เอ๊นี่เราทําผิดหนักอกหนักใจเกิดความหยุดหยุดเสื่อมในใจมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่การรักษาเหลี่ยมทั้งโลก รักษาอย่างเชมุกต้องรักษาแต่จริงว่าโลกกว่าสักเพือโลกจะเปลี่ยนได้ถ้าทําไปเต็มสี่เต็มห้าเลรักษาท่านก็ต้องรักษาแต่จะให้ท่านรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดมันก็เป็นใจไม่ได้เพราะโลกอันนี้มันมีคนดีคนชั่วคนต่างๆมันก็มี คนดีนั่นก่อตำหนิที่ทำเชื่อผัวเชื่อคนเชื่อนั่นก็อตำหนิคนผิดดีที่เดินอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกกันเพราะคนเราทําแต่อคนนี้มันก็ผิดคนนั้นเราผูกต่อคนนั้นมันก็ผิดคนนี้คนนี้ใสมันมเหมือนกันโลกอันนี้มันเป็นมีการตำหนิจิชมกันเรอยมาทั้งผิด พะพตเจ้ามีพระกิจิยาไรยาต์รมสมวนงานทุกอย่างเหียบร้อยทุกอย่างก็ยังมีถูกตัณห์ติชมกันพระพุทธเจ้าผันปีกาเอาไว้ณธิโลเกอนันทิโตไหนมีใครในโลกที่จะไม่เกิดที่จะไม่ถูกตัณห์คนเกิดในโลกจะต้องถูกตัณห์ จะดีขนาดไหนจะมีคนตำหนิหรือยางชมเชยกันเหมือนกันจะชั่วร้ายขนาดไหนเขาก็ชมเชยพักเขื่อนถึงของเขาก็มีโรคอันนี้มันเจอหนึ่งอย่างนี้เขาไอ้ทราบดีเลยจิตในใจท่องเต้าถั่วถึงรอบนี้เรื่องท้องจิตนั่นแหละเป็นเรื่องสาคัญอย่าไปตะคุบเรื่องใหม่ไปหาเรื่องใหม่ให้ดูจิตดูใจของตนมันก็หมดที่ไม่พิจารณาสังละจิต ผิวของอสิตในอารมณ์สัญญาต่างๆนมันปล่อยมันวางมันสงบระงับจนถึงนั น, นเข่าถึงแก่นถึงอัดถึงทำจริงจังเมื่อมันเข่าถึงที่สุดเกี่หมายจริงจังแล้วมันมันมีอะไรจะสงสัยใครจะหิวจะเหลงอย่างไรเส็นเรื่องของเขาใครจะชั้นรละเสริญยืนมทาอย่างไรเป็นลมปากของคนสุดแล้วก็ดับไปสุดแล้วก็ดับไป เราไมีอะไรที่จะเจ็บจะรักษาเหมือ น, นกันกับกระบอกม ไ, ไม่ไผ่ไน่มีข้อเทนาไม่ไปใส่เท่าไรบ้างก็ไหลนีลน้เท่านั้น น, นั่นเลยมีอะไรขังเอาไว้ใจที่สะรู้ทั่วในอักในทำกว่าท่านองเยอะกันไม่มีอะไรที่จะเจ็บจะรักษาเข้าใจเลยจติตเดียร์ปัญญาอย่างชัดเจนทุกสิ่งท้กอย่างมันเราสุขเราสบาย ไม่ว่าใจเมื่อไรอยู่เม่ว่าเขาจะสั่นเลยเสิรินหรืนินทาจิตของท่านเป็นธรรมดาธรรมดาอยู่ไม่มีอะไรที่จะตื่นเต้นคืออันนี้ส่งของการฝึกจิตอบลมใจไปสถานที่ใดก็ไม่มีภัยอันตรายเพราะใจสะดวกใจสบายใจสุขใจเปิดเสริ์ชแต่นั้นขอทุกท่านจงหมั่นพิจนะิตรเจนะกำหนดรักษา พอจิดมีทางที่จะรักษาได้เราําหมดเรานึกคิดไปในทางผิดจิดก็อเดือดร้อนก็อหุ่นวายขัดข้อเศร้าหมองเรานมกคิดในเรื่องที่ดีจิดของเราก็ดีก่อปเสริฐก่อสบายได้เราตกแต่งเอาได้เราทําเอาได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยมีใครที่จะดีใจรื่อเสดได้ เรื่องของจิตก็ไม่ใส่คนอื่นที่จะทราบดีเท่ากับตัวของตัวเองให้เราเองรักษาเราเองกระทําอย่าไปให้คนอื่นเป็นเพือรักษาให้หากเราถือว่าจิตเป็นของของเราเราจะต้องรักษากำหนดทิศนิจเจนะกระทำสิเพื่อเจ้าสอน เพราะาวก็มีอยู่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งข้ารวชกาทั้งมนุษยิทธิเวทนามันก็มีจิตมันก็มีธรรมมันก็มีอยู่ในก่อนอันนี้เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ยังรู้อยู่มีหน้าที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจได้ในส่องไปคิดหลายชาติโนอนก่อนชาตินี้ก่อน จึงจะกระทำมั่นเพนแต่ปัจจุบันหน่ยดูหน่รู้มันเป็นไปใน่อ้ว่าอย่าไปโยมความดีไปทางเนี่ยไปทางเนี่ยต่างตารักษาเรามาหาของดีของดีมันเ ก, กาะยืนในตาในใจของเราในโลกอันนี้แหละขอชื่อมันก็อยู่ในโลกอันนี้หากเรามีสติเรามีปัญญาเราละอย่าเชั่ว แต่ทำบาเพ็ญอย่าง ด, ดีความดีกว่าจะพวีควขึ้นจนใหตุถึงขี่สุดยังยึดวิภานได้ไะอะไรอาศัยปัญญาที่มิเชื่อนาเหรอรู้คนนั้นจะไมป็นหมันในชีวิตของตัวต่างหน้าต่างาศึกษาต่างหน้าต่างาภาวนาต่างหน้ า, า, นาต่างาละกิเสลสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้เราดูเรารเราขอยใจเรื่องทั้งตัวนี่สอนไปเห็นเรารู้เกี่ยวสวัสด์ฉันโน้นทิพย่านสันนี้ถ้าหากมันเลยเป็นเลยจิตในใจแล้วมันไปเลยได้ถ้ามันเป็นในจิตในใจแล้วไม่ต้องไปพอไปก็ยังไม่ถึงหาก็ยังไม่เห็นอยากก็ล้วไม่อี่มมันรู้มันขอยใจ อยู่ในตัวของตัวเองนี่อัดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนมีสิทธิอย่าประพฤติประเทืบให้ได้ใหเห็นให้เป็นให้รู้จะเจอว่าเราไม่มีอํานาจราสนาเรามีอํานาจราสนาที่ไราเกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่ได้อาบคับอับจนอะไรแต่ิเราก็มีปัญญาแล้วก็มี หนูเราก็มีตาแล้วก <ination noises> ็มีจมีกจีนสายใจเรามีอะไรมันบอกข้ในตัวบของเราอุกเสียงกิ่นรสสัมผัสอารมณ์ในโลกมันก็มีอยู่ถ้าเราหมั่นทิ่จามาหาธรรมะมาสอนใจมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดความสุขความสบายในอย่างนั้นก็จะมีวันมีเวลา จิตเราจะกล่าวหนาจิตของเราจะสงบเย็นมี่จะจะเป็นภครเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นโทษเท่านั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงกําหนดที่จะนารักษาอัดธรมในตัวของตัวละเชื่อบเพลิดีเมื่อทุกท่านต่างหน้าต่างตากําหนดสติกําหนดปัญญาสอนจิตของตนอย่างนั้นกว่าจะมีวันเวลาสงบระงับ ดับที่เลดได้การอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเียเลยละเพรายุติเพียงแค่นี้